ที่เราจะเข้าสู่ชั่วโมงกิจกรรมตามโครงการที่เราได้เข้าอบรมกันก็อยากจะให้ทุกคนเตรียมความพร้อมก่อนความพร้อมที่จะรับรู้และก็รับฟังในสิ่งที่เราไม่รู้ในสิ่งที่เรายังไม่เคยฟังก็ให้เตรียมความพร้อมก่อนนั่ง ปกติก็ได้หรือใครจะนั่งสมาธิก็ได้แต่ให้นั่งอยู่ในความสงบแล้วก็พยายามตั้งใจฟังว่ากิจกรรมในค่ำคืนนี้ที่เราจะทำร่วมกันมีอะไรบ้างถ้าเราอยู่ในความสงบเนี่ยเราก็จะได้รับในสิ่งที่ได้ยิน แล้วก็ได้เห็นในสิ่งที่เราได้รู้อย่างละเอียดขึ้นอย่างชัดเจนขึ้นแต่ถ้าเรายังมีความสงบไม่มากพอเราก็ไม่สามารถรับในสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไม่สามารถรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในขณะที่เรากำลังจะทำอยู่ในขณะนี้ความร้อนมันอาจจะร้อนบ้างแต่เราก็อย่าไปสนใจ อย่าไปใส่ใจความร้อนที่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้เราคิดว่าเรากำลังอยู่ในท้องแม่ก็แล้วกันมันจะทำให้เราไม่ฟุ้งซ่านจะทำให้ใจเราไม่กังวลแล้วเราก็จะนั่งได้อย่างไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่กังวลอะไรก็อย่างที่บอกในตอนแรกว่า ในคำคืนนี้เป็นกิจกรรมพิเศษเป็นกิจกรรมของโครงการปฏิบัติธรรมและขอโครบอุ่นด้วยธรมรมเฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณพุทธศักราช2562ณวัดขวิติสุขโตมเผ่าวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและคณ ะ, ะสงฆ์วัดควิติสุขโตตั้งแต่วันที่ 10-12 สิงหาคมพุทธศักราช2562นี้ เราเลยถือโอกาสนี้สร้างกิจกรรมแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกันรวมไปถึงวันพรุ่งนี้ที่จะเป็นวันแม่แห่งชาติอย่างที่เราได้รู้กันเราเลยถือโอกาสค่าคืนนี้เป็นค่าคืนที่จะทํากิจกรรมสองอย่างด้วยกันคือทําเพื่อตนเองและก็ทําเพื่อเฉลิมพระเกียรติอีกอย่างหนึ่งก็คือทําเพื่อแม่ของเรานั่นเอง ขอให้ทุกคนจงตั้งใจทําในสิ่งที่เราสมควรทําได้แล้วในขณะนี้ใครอยากจะนั่งสมาธิก็ได้หรือใครอยากจะนั่งปกติก็ได้ไม่บังคับกันไม่ว่ากันเอาที่เราถนัดเลยเราก็จะได้สะดวกแก่การนั่งแก่การฟัง ปรากุลแม่นาบขนาเกินกว่าอยากหาไหนพระสุธาที่กว้างไกล ย, ยังไม่ เท่าแม่นี้รวมแผ่นฟ้ามหานาทีพระคุณแม่นี้มาเสียยิ่งกว่ายาแม่อุ้มท้องแสนทรมาหาเมื่อลูกเกิดมาแม่นั้นยินดี ยามนาวลูกนอนแม่ซ่อน อ, อกไว้ยามร้อนผิวกายแม่ใจปัดวียามมิ้วขาใดแม่ให้ห่วงหา ตอนน้ำข้าวป่าถูกแสนเป็มปีพระคุณแม่นั้นอันนั้นเลือทีผู้ใดจะมีสมเือเหมือนได้แม่ทนอดลาเลี้ยงมาจนใหญ่แม่ยอมเหนื่อยกายหาเหางินส่งเสีย ให้เรียนชงอย่าลืมคิดทดแทนคุณท่านก่อนบ้านไป แม่เปียบดังเหมือนลมตายใบแกแผ่เนื้อเสียนไหวผ่านพ้นสักวันคงเปลี่ยนคอยหมั่นเพียรเยี่ยมเยียนเหมื่อท่านเจราแม่คงชังแงอยากเลเห็นหน้า แม่ลูกไม่มาแม่คงเจ็บชำ้ำหรือดีอย่าทิ้งให้แม่ได้แต่งอ้อยเงามองหาลูกเต่าสักคนไม่มีอย่าคิดลืมแม่เมื่อแก่ชรา ท่านเลี้ยงเรามาช่วยทุกชีวีเลือดในอกนั้นกันจนล้นปีพระคุณแม่นี้มีค่านาบอนนันผู้คนหมื่นแสนทั่วแดนนับล้านแต่ว่าแม่นั้นเห็นมีอยู่แค่คนเดียวผู้ คนหมื่นแสนทั่วแดนนับล้านแต่ว่าแม่นั้นเห็นมีอยู่แค่คนเดียวก็ขอให้พระพิสุสงฆ์สมเนธแม่ชี และอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายในค่ำคืนนี้เป็นกิจกรรมพิเศษของทางวัดขวิติสุขโตเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณแม่การระลึกถึงพระคุณแม่ในที่นี้ ก็จะขออนุญาตให้ทุกคนจงนั่งคิดจงนั่งพิจารณาว่าแสงเทียนที่อยู่ตรงหน้าเรใาในขณะนี้ให้เปรียบเสมือนแสงสว่างของดวงใจแม่ที่กําลังส่งทางให้กับชีวิตเราอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็ให้ตั้งใจฟังตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ระลึกนึกถึงพระคุณของแม่ ที่เป็นผู้ให้กาเนิดลงมาก่อนที่จะเข้าเนื้อหาก่อนที่จะเข้าสาระในค่ำคืนนี้ก็อยากจะอ่านจดหมายจดหมายที่ลูกได้เขียนถึงแม่ว่าในเนื้อความจดหมายนั้นที่ลูกเขียนถึงแม่นั้นมีอะไรบ้าง ถึงแม่ที่ลูกรักและเคารพเสมอแม่ตอนนี้ลูกไม่ได้อยู่กับแม่แล้วตอนนี้แม่เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้แม่สบายดีไหมส่วนลูกอยู่ทางนี้ลูกก็สบายดี ลูกคิดถึงแม่ทุกวันแต่ลูกก็ยังไม่มีโอกาสกลับไปหาแม่เลยและแม่ทำงานหนักไหมแม่เหนื่อยไหมมีใครช่วยแม่บ้างไหมส่วนลูกอยู่ทางนี้ลูกก็จะตั้งใจลูกก็จะพยายามทางานพยายามหาเงินเก็บทุกบาททุกสตัง เพื่อที่จะนำเอาไปให้แม่ที่ลูกต้องจากแม่มาในวันนั้นจนมาถึงวันนี้วันที่ลูกตัดสินใจออกจาก อ, อกแม่วันที่ลูกตัดสินใจออกจากบ้านลูกก็ยังไม่รู้เลยว่าชีวิตของลูกจะต้องอยู่ยังไงต่อ ชีวิตของลูกจะยังต้องดำเนินต่อไปยังไงต่อลูกยังไม่รู้เลยแม่แต่ลูกก็ได้แต่คิดลูกก็ได้แต่นึกว่าเวลาที่ลูกมีแม่อยู่และเวลาที่ลูกไม่มีแม่อยู่ความรู้สึกต่างนั้นมันต่างกันที่เชิงจริงๆเลยแม่มาบัดนี้ลูกมาอยู่ต่างจังหวัด แต่ลูกก็ยังระลึกนึกถึงแม่อยู่ตลอดเวลาแต่ลูกก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ลูกจะมีโอกาสกลับไปหาแม่ลูกรู้ว่าสิ่งที่แม่สอนลูกรู้ว่าสิ่งที่แม่บอกและลูกก็เข้าใจว่าสิ่งที่แม่ต้องการต้องการที่จะให้ลูกเป็นคนดีต้องการที่จะให้ลูกเป็นคนเก่ง แต่ลูกก็ยังทำไม่ได้ลูกก็ยังทำในสิ่งที่แม่ต้องการไม่ได้เลยแต่สิ่งที่ลูกตัดสินใจทำอยู่ทุกวันนี้ลูกก็ยังคิดไม่ได้ลูกก็ยังไม่รู้ว่าลูกจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงถ้าวันใดวันหนึ่งเกิดไม่มีแม่ขึ้นมาแล้วแล้วทางนูน้นน้องเป็นยังไงบ้าง พี่เป็นยังไงบ้างญาติพี่น้องเราแต่ละคนยังสุขสบายดีไหมแม่น้องโตขึ้นหรือยังพี่เรายังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าพี่เรายังเล่นการพานันไหมพี่เรายังกินเหล้าหรือเปล่าแม่ทำไมพี่เราถึงไม่ช่วยแม่เลยทำไมพี่เอาแต่เล่นการพานันทำไมพี่เอาแต่กินเหล้า แล้วน้องล่ะเป็นยังไงบ้างแม่น้องสามารถช่วยงานแม่ได้หรื อ, อยังหรือว่างานที่แม่ทำยังไม่มีใครช่วยแม่เลยลาพังตัวลูกเองในตอนนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรแม่เลยแม้สักนิดเดียวลูกก็คิดแต่ว่า จะมาทำงานเพื่อหาเงินเพื่อจะช่วยเป็นเรี่ยวเป็นแรงให้กับแม่ในวันที่แม่ไม่มีใครแต่ในวันนี้เมื่อลูกต้องจากแม่มาจริงๆความรู้สึกว่าลูกเนี่ยเหมือนไม่มีแม่เลยเหมือนไม่มีแม่อยู่กับลูกเลยถึงลูกรู้ว่าลูกเนี่ยมีแม่ แต่ในเมื่อโลกกับแม่ต้องห่างกันโลกกับแม่ต้องจากกันแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นด้วยความรักด้วยความหงวหงใด Hmm. ด้วยความมีเมตตาที่แม่ให้กับลูกมาตลอดเวลาลูกก็ไม่เคยเข้าใจเลยลูกก็ไม่เคยรับรู้เลยแม้กระทั่งความรักที่แม่ให้มาจนทั้งชีวิตแล้วลูกก็ยังไม่รู้เลยว่าแม่รักลูกแม้กระทั่งความเมตตา ท, ต right ท, ที่แม่มีให้ต่อลูกมาลูกก็ยังไม่รู้เลยว่าแม่ได้ให้ความเมตตาต่อลูกมาทั้งชีวิต สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ลูกได้รับจากแม่ลูกมีความสุขแต่ลูกก็ยังไม่รู้ว่าลูกจะตอบคืนแม่ได้อย่างไงเอาอย่างนี้แล้วกันแม่ถ้าวันใดวันหนึ่งลูกมีโอกาสคิดจะทดแทนคุณพ่อแม่เมื่อวันนั้นมาถึงลูกอาจจะบวชเป็นพระเพื่อทดแทนคุณให้แก่พ่อ และแม่ก็ได้แต่ในตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาลูกก็ยังคิดไม่ออกลูกก็ยังนึกไม่ได้เลยว่าสิ่งที่ลูกกําลังตัดสินใจทำอยู่ในขณะนี้มันผิดหรือมันถูกหรือยังลูกก็ยังไม่รู้ว่าลูกทำไปแล้วแม่จะต้องเป็นทุกข์แค่ไหนแม่จะต้องลำบากแค่ไหนแม่จะต้องเหนื่อยแค่ไหนลูกไม่รู้เลย แต่ลูกขอสัญญาว่าถ้าวันนั้นมาถึงหรือวันใดวันหนึง่งถ้าลูกมีโอกาสลูกจะกลับไปที่บ้านและลูกก็จะกลับไปหาแม่และก็จะกลับไปกราบแม่แตราบใดที่ลูกพอมีเวลาที่จะปีกตัวไปหาแม่ได้เราค่อยเจอกันนะแม่รักและคิดถึงแม่เสมอลูก ถึงแม่ที่เคารพรักเสมอแม่ตอนนี้แม่เป็นยังไงบ้างจดหมายนี้เป็นฉบับที่สองแล้วที่ลูกได้เขียนจดหมายไปหาแม่ลูกไม่รู้ว่า การที่ลูกได้เขียนจดหมายส่งไปหาแม่แม่จะได้รับจดหมายหรือเปล่าแม่จะได้อ่านจดหมายนั้นหรือเปล่าแม่จะเข้าใจในความหมายที่ลูกเขียนไปหรือเปล่าแม่จะรู้ในความรู้สึกของลูกหรือเปล่าว่าในขณะนี้ลูกกําลังคิดอะไรลูกกําลังทําอะไรอยู่ถึงถ้าแม่ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่ลูกคิดว่าลูก รู้ตัวเองอยู่ว่าลูกกําลังทําอะไรอยู่ลูกก็พยายามคิดลูกก็พยายามทําทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้หาเงินมาช่วยเหลือแม่ช่วยแบ่งเบาภาระจากที่แม่เคยทํางานหนักต้องรับผิดชอบต้องเลี้ยงดูลูกต้องทํางานทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อไม่ให้ลูกเนี่ยอด เพื่อให้ลูกมีกินเพื่อให้ลูกมีใช้ให้ลูกได้เรียนหนังสือให้ลูกมีอนาคตเหมือนคนอื่นลูกเข้าใจนะแม่ว่าสิ่งที่แม่ทำเนี่ยแม่ทาเพราะแม่รักลูกเพราะแม่เป็นห่วงลูกและแม่ก็อยากดูแลลูกตลอดไปตลอดชีวิต แต่ลูกก็ยังไม่รู้เลยว่าชีวิตของลูกนี้จะมีอายุยืนยาวแค่ไหนลูกจะอยู่บนโลกใบนี้ได้แค่ไหนลูกก็ยังไม่รู้เลยแม่เพราะสิ่งที่ลูกเป็นอยู่ในขณะนี้ลูกคิดว่า ร่างกายของลูกก็ไม่ค่อยไหวร่างกายของลูกก็เริ่มไม่มีแรงด้วยอาการต่างๆด้วยโรคต่างๆที่มันมาลุมแล้วลูกอยู่ทุกวันแต่ลูกก็ไม่กล้าบอกแม่พอลูกกลัวว่าแม่ไม่สบายใจเมื่อได้รู้ข่าวจากลูกแล้วลูกก็พยายามต่อสู้ด้วยตัวเองมาตลอดระยะเวลาที่ลูกออกจากบ้านมา แม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะสิ่งที่ลูกกำลังทำอยู่ในขณะนี้ลูกคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วลูกคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วแต่ลูกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกต้องทำให้แม่ทุกข์ใจหรือเปล่าลูกต้องทำให้แม่เสียใจหรือเปล่าลูกต้องทำให้แม่ต้องร้องไห้หรือเปล่าถ้าลูกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งผิด ลูกก็ขอโทษและขอให้แม่ให้อภัยลูกด้วยนะลูกก็ยังรักแม่อยู่เหมือนเดิมลูกก็ยังคิดถึงแม่อยู่เหมือนเดิมถ้าวันใดวันหนึ่งถ้าลูกมีโอกาสลูกจะรีบกลับไปหาแม่เพราะว่าสิ่งที่ แม่ทําให้กับลูกมันมากมายเหลือเกินลูกได้คิดลูกได้ตัดสินใจแล้วว่าเมื่อถึงวันนั้นลูกต้องกลับไปทดแทนคุณแม่อย่างแน่นอนลูกขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปกปักรักษาจงคุ้มครองแม่ให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าเป็นไข้อย่าเป็นโรคอย่าเป็นภัยนะแม่รัก และคิดถึงแม่เสมอลูกถึงแม่ที่ลูกลูกเคารพรักเสมอแม่จดหมายมีเป็นจดหมายฉบับที่สามแล้วขณะนี้เป็นเวลาที่ หลายปีแล้วที่ลูกต้องจากแม่มาลูกก็ยังไม่ได้กลับไปบ้านเพื่อหาแม่เลยลูกเองก็เริ่มมีกำลังน้อยลงเต็มทีร่างกายลูกเองก็จะไม่ไหวแล้วแม่ลูกสัญญาว่าภายในระยะเวลาไม่เกินสองปีนี้ลูกจะกลับ ไปหาแม่อย่างแน่นอนแม่แม่เป็นยังไงบ้างแม่สบายดีไหมสุขภาพของแม่ที่เคยเป็นอยู่ดีขึ้นหรื อ, อยังอาการมันแย่ลงหรือว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมไหมแม่แม่ก็ต้องทนกับโรคลุมแล้ว เหมือนกับลูกเลยแต่โรคของแม่มันก็มีอาการหนักกว่าของลูกเพราะลูกก็ไม่เคยรู้ว่าแม่เป็นอะไร เพราะแม่เป็นคนที่เก่งแม่เป็นคนที่ขยันแม่เป็นคนที่อดทนแม่เป็นคนที่แข็งแรงแม่กัดฟันสู้ทุกสิ่งทุกอย่างแม่ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ลูกได้มีกินเพื่อให้ลูกได้อิ่มได้นอนหลับแต่แม่แม่มีความทุกข์ มีความลําบากแม่มีความเหนื่อยยากแถมแม่ยังมีโรคลุมเล้าอีกเยอะแยะมากมายแต่แม่ไม่เคยบอกให้ลูกรู้เลยลูกมีความรู้สึกผิดมีความสํานึกผิดว่าทําไมเราถึงไม่ดูแม่ทําไมเราถึงไม่เคยถามแม่ทําไมเราไม่เคยเป็นห่วงแม่เลยทั้งทั้งที่แม่ทําให้เราทุกสิ่งทุกอย่างแม่ให้เราได้ ้ทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายแม่ก็ต้องจากเราไปอยู่ดีเพราะแม่มีโรคประจำตัวมีโรคลมเลาด้วยอาการต่างๆมากมายเมื่อ แม่ไม่อยู่แล้วลูกจะทำยังไงแล้วลูกจะอยู่กับใครลูกจะใช้ชีวิตยังไงละแม่แม่อย่าพึ่งเป็นอะไรไปนะแม่รอลูกก่อนแม่ต้องรอให้ลูกกลับไปหาแม่ก่อนถ้าเกิดว่าแม่เป็นอะไรไปก่อนที่ลูกจะกลับไปหาแม่ลูกคงเสียใจแย่เลยแม่อย่างน้อยก่อนที่แม่จะหมดลมก่อนที่แม่จะตายในวาระสุดท้าย ของชีวิตแม่ลูกก็อยากจะกลับไปกราบแม่สักครั้งหนึ่งลูกก็อยากจะมีโอกาสกลับไปบอกรักแม่สักครั้งหนึ่งลูกก็อยากจะมีโอกาสกลับไปกอดแม่สักครั้งหนึ่งก่อนที่แม่จะหมดลมและก็แม่ตายลงไปต่อหน้าลูกแม่อย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะแม่แม่รอลูกก่อนอีกไม่นานลูกสัญญาว่าลูกจะ กลับไปหาแม่อย่างแน่นอนรักและคิดถึงแม่เสมอลูกก็จดหมายในสามฉบับที่ลูกได้เขียนถึงแม่ลูกก็พยายามพารณาลูกก็พยายามบรรยายทุกสิ่งทุกอย่าง ถามสารทุกสุขดิบทุกสิ่งทุกอย่างระหว่างแม่และลูกที่ได้คุยกัน ทางจดหมายแต่สิ่งที่ลูกคุยกันกับแม่ทางจดหมายเนี่ยแม่ก็มีความรู้สึกอีกอย่างหนึง่งลูกก็มีความรู้สึกอีกอย่างหนึง่งต่างคนก็ต่างมีความรู้สึกซึ่งกันและกันแต่ต่างคนต่างมีความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันเพราะนั้นในโอกาสวันนี้พระพริสุสูง แม่ที่อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายให้ทุกคนตรงตั้งใจจงคิด <c oughs> ตรงพินิษพิจารณาพยายามคิดว่าแสงเทียนที่อยู่ตรงหน้าเราในขณะนี้คือแสงสว่างของดวงใจของแม่เราที่คอยส่งนาทางให้เราได้เดินมาถึงทุกวันนี้ที่คอยส่งนาทางให้ชีวิตเราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ เราในฐานะผู้เป็นลูกทั้งหลายเราก็ลองคิดลองพิจารณาสิ่งต่างๆที่ผ่านมาแล้วในอดีตปัจจุบันที่เราเคยทําให้พ่อแม่ต้องทุกข์ที่ทําให้พ่อแม่ต้องร้องไห้ที่ทําให้พ่อแม่ต้องเสียใจที่ทําให้พ่อแม่ต้องลําบากที่ทําให้พ่อแม่ต้องเจ็บ เราทำอะไรไว้บ้างเราลงนั่งคิดเรานงนั่งพิจารณาบางครั้งแม่ก็ต้องการให้ลูกเนี่ยเป็นคนที่ดีแม่ต้องการให้ลูกเป็นเด็กที่ดีแต่ลูกในบางครั้งก็เป็นคนที่ดีไม่ได้ก็เป็นเด็กที่ดีไม่ได้ถามว่าแม่เนี่ยอยากจะตีลูกไหมแม่ก็อยากจะตีแม่อยากจะด่าลูกไหมแม่ก็อยากจะดา่าแม่อยากทำโทษลูกไหม แม่ก็อยากทำโทษแต่ทำไปแล้วแม่จะได้อะไรแม่ก็ได้แจกความเจ็บที่ฝังอยู่ในใจแม่ก็ได้แจกความเสียใจแม่ก็ได้แจกความโศกเศร้าความพิริพิรำพันที่ได้ทำเช่นนั้นลงไปกับลูก นั่นคือผู้เป็นแม่ผู้เป็นแม่สามารถให้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราได้คิดเราพิจารณาว่าฝนที่ตกลงมาในวันนี้ในช่วงบ่ายเนี่ยถ้าเปรียบน้ำฝนเปรียบเสมือนน้ำนมแม่ที่ล่วงหล่นลงไปในท้องเราเนี่ยน้ำฝนที่ตกลงมาในวันนี้เนี่ยยังสู้ไม่ได้เลยถ้าเปรียบเทียบกับน้ำนมที่เราดูดดื่มกินไปทุกหยด ดุดดุมกินไปทุกวันในขณะที่เรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในขณะที่เรายังต้องอาศัยแม่เราเลี้ยงดูแม่เราคอยป้อนข้าวป้อนน้ำคอยป้อนอาหารทุกสิ่งทุกอย่าง ให้กับชีวิตของเราเจริญเติบโตขึ้นมาได้จนถึงทุกวันนี้เราลองหันหลังกลับไปดูคนที่นั่งอยู่ที่บ้านมีผู้หญิงแก่ชราคนหนึ่งที่เราเรียกว่าแม่เราปล่อยให้แม่เรานั่งอยู่บ้านเพียงคนเดียวเราไม่เคยหาอาหารไปให้แม่เรากินเลยเราไม่เคยหายูกหายาไปให้แม่เรากินเลยเราไม่เคยหาที่หลับที่นอนให้กับแม่เรานอนเลย เ, เราไม่เคยหาบ้านดีๆหาที่อยู่ดีๆให้แม่เราอยู่เลยเราลองคิดเราลองพิจารณาว่าหญิงชราผู้นั้นคือแม่ของเราที่นั่งอยู่จมในกองทุกข์นั่งจมอยู่ในสภาวะทุกข์นั่งจมอยู่กับความเจ็บความปวดเ้าความเศร้าโศกความเสียใจที่ ลูกทำให้แม่ต้องเป็นอย่างนั้นเราลองหันหลังกลับไปมองว่าชีวิตของแม่เราที่ผ่านมาชีวิตของเราที่ผ่านมาความเป็นแม่ความเป็นลูกของเราทั้งสองคนความเป็นแม่ฝ่ายหนึ่งความเป็นลูกฝ่ายหนึ่งต่างคนก็ต่างคิดต่างคนก็ต่างไม่เข้าใจต่างคนก็ต่างรู้สึกกันเองด้วยความที่ แม่ก็ต้องการลูกก็ต้องการในเมื่อความเข้าใจมันไม่ตรงกันในเมื่อความเห็นมันไม่ตรงกันมันก็ต่างย่อมทำให้แม่เนี่ยต้องเสียใจเราทาให้แม่เสียใจมามากต่อมากแล้วเราทำให้แม่ต้องร้องไห้มามากต่อมากแล้วเราทำให้แม่ต้องเจ็บมามากต่อมากแล้วแต่บางครั้งเราไม่ได้ระลึกนึกถึงผู้ที่เป็น แม่เลยเราไม่ได้ระลึกนึกถึงคำว่าแม่เลยบางครั้งเราแค่รู้ว่านี่คือแม่เราเรารู้แค่นั้นเองแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราต้องปฏิบัติกับผู้ที่เป็นแม่ยังไงเราต้องดูแลผู้ที่เป็นแม่ยังไงสิ่งที่แม่ให้เรามาทุกสิ่งทุกอย่างกับสิ่งที่เรากําลังชดใช้คืนให้กับแม่เราเนี่ยได้ยังไม่ถึง ครึ่งเลยแล้วเราลองคิดดูว่าผู้ที่เป็นแม่เนี่ยให้เราม า, มากขนาดไหนแล้วเราล่ะให้อะไรกับผู้ที่เป็นแม่บ้างให้ความสุขกับผู้ที่เป็นแม่ได้หรือเปล่าให้ความอิ่มอกอิ่มใจกับผู้ที่เป็นแม่ได้หรือเปล่าให้รอยยิ้มกับผู้ที่เป็นแม่ได้หรือเปล่า เมื่อเราจะเริ่มเติบโตขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเราก็มีแต่จะสร้างปัญหาให้ผู้ที่เป็นแม่จากแม่พูดอะไรเราเคยฟังทุกอย่างเราก็จะไม่ฟังเราก็จะเริ่มเถียงแล้วเพราะเราคิดว่าเราโตพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วจากที่แม่เคยบอกว่าอย่าทำนะลูกอย่าไปนะลูกแต่ลูกก็ไม่เคยฟัง ลูกก็ไม่เคยเชื่อเอาแต่ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่เอาแต่ความรู้สึกของตัวเองเป็นใหญ่โดยที่ไม่ได้คิด ถึงหัว อ, อกผู้ที่เป็นแม่เลยผู้ที่เป็นแม่ต้องเจ็บต้องทุกข์ต้องทรมานขนาดไหนกว่าที่จะเลี้ยงลูกโตได้แต่ละคนผู้ที่เป็นแม่ต้องลาบากยากแค้นแสนเข็นขนาดไหนต้องเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนกว่าที่จะเลี้ยงลูกโตได้แต่ละคนแต่บางครั้งเนี่ยแม่ก็พยายามทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพยายามคอยประงบคอยประหมคอย ดูแลคอยเอาใจใส่เพื่อให้รูปของตัวเองเนี่ยได้โตได้แข็งแรงไม่พิกลไม่พิการเป็นคนที่มีร่างกายที่สมบูรณ์แม่พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างจะล้างขี้จะล้างเ ย, ยวจะเช็ดหูเช็ดปากเช็ดตาเช็ดท้าลายแม่สามารถทําให้เราทุกอย่างได้ แต่เราเนี่ยทำให้แม่แค่อย่างหนึง่งเรายังทำไม่ได้เลยบางครั้งเราคิดว่าเราเป็นแม่เป็นลูกกันเราไม่ต้องแสดงความรู้สึกดีๆต่อกันก็ได้แต่สิ่งๆนั้นเนี่ยคือการกระทำระหว่างแม่กับลูก เมื่อการกระทำนั้นมันเกิดขึ้นระหว่างแม่กับลูกเนี่ยแล้วเราลองคิดเราลองพิจารณาใครจะเป็นควายใครจะเป็นฝ่ายเสียใจใครจะเป็นฝ่ายเจ็บใจใครจะเป็นฝ่ายทุกข์ใจก็มีแต่ผู้ที่เป็นแม่เท่านั้นแหละที่จะต้องทนทุกข์ทรมานไปทั้งชีวิต ลูกอาจจะเป็นนักเลงลูกอาจจะติดยาลูกอาจจะติดการพนันลูกอาจจะติดเหล้าลูกอาจจะหลงผิดไป ในทางที่ชั่วๆผู้เป็นแม่ก็ได้เจ็บทุกข์แล้วทุกข์อีกเสียใจแล้วเสียใจอีกร้องไห้แล้วร้องไห้อีกบางครั้งลูกก็ยังกลับเป็นคนดีไม่ได้ลูกก็ยังทำในสิ่งที่แม่ต้องการไม่ได้แต่เราผู้เป็นแม่เราจะหวังกับลูกเกินไปเราก็หวังไม่ได้บางครั้งเราหวังให้ลูกเป็นอย่างนี้แต่เราก็หวังไม่ได้เพราะเราให้ได้เพียงชีวิตเท่านั้นตัวและหัวใจเราให้ไม่ได้เรา เราก็ต้องปล่อยให้ลูกใช้ชีวิตของเราไปเราก็ต้องเปิดความอิรมสระให้กับลูกของเราว่าลูกเราต้องการอะไร <ๆ S 2> ลูกเราชอบอะไรลูกเราอยากเรียน <mond. S 1> <ๆ S 2> อะไ ร, <ๆ S 2> เ, รเราก็ต้องเปิดใจให้กับลูกเราบ้างเราจะบังคับให้ลูกเราเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่มีทางเป็นไปได้เราจะให้ลูกเราเนี่ยทําได้เหมือนเราทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปไม่ได้ เช่นเดียวกันเพราะนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายสิ่งที่เราพึงระลึกนึกถึงได้ในขณะนี้ถ้าให้บรรยายถ้าอธิบายในพระคุณของแม่เนี่ยก็อธิบายไปไม่มีวันหมดอธิบายไปก็ไม่มีวันจบวันสิ้นอธิบายไปเนี่ยพระคุณของแม่มันมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่าง บนโลกใบนี้ใจทั้งใจที่เราคิดว่าเราให้แม่หมดใจก็ยังไม่มากพอความรู้สึกดีๆที่เราให้แม่ไปทั้งหมดใจมันก็ยังไม่มากพอที่สำหรับแม่ให้เรามา รอยยิ้มต่างๆที่เราให้แม่ไปแต่ละครั้งก็ยังไม่มากพอเท่าที่กับแม่ให้เรามาทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่แม่ให้เรามาตั้งแต่เรามีชีวิตเกิดมาจนถึงทุกวันนี้เราเป็นหนี้แม่เรามาทั้งชีวิตแล้วเรามีชีวิตมาถึงทุกวันนี้จนชีวิตเราใกล้ตายลงทุกวันทุกวันแล้วเรายังไม่ได้ชดใช้อะไรคืนให้กับผู้ที่เป็นแม่เลยแม้กระทั่งปัจจัยสี่เราก็ยังไม่มีโอก โอกาสชดใช้คืนให้แม้กระทั่งที่อยู่อาศัยเราก็ยังไม่มีโอกาสชดใช้คืนเครื่องนุ่งหม่มเราก็ยังไม่มีโอกาสชดใช้คืนให้ยารักษาโรคเราก็ยังไม่มีชดใช้คืนให้เลยแม้กระทั่งอาหารก็เช่นเดียวกันปัจจัยทั้งสี่อย่างนี้ที่เราเป็นหนี้ให้กับ แม่ของเราเนี่ยมากมายมหาศาลก็ขอให้ทุกคนนั้นตั้งใจรละลึกถึงคุณของแม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะนึกได้เท่าที่จะระลึกได้ใจเราเท่านั้นที่สามารถให้บุญและกุศลให้กับตัวเราเองได้ใจเท่านั้นที่สามารถส่งบุญและกกุศลให้กับ แม่เราได้พยายามนั่งหลับตาแล้วก็นึกถึงหน้าแม่เอาไว้หน้าแม่ที่เราเคยรักหน้าแม่ที่เราเคยชอบหน้าแม่ที่เราเคยเกลียดหน้าแม่ที่เราเคยด่าหน้าแม่ที่เราเคยบ่น เราน่าจะนึกออกแล้วเราน่าจะเห็นภาพได้ชัดว่านี le le. ่คือแม่เราเหรอทำไมเราถึงทํากับแม่เราได้ขนาดนี้แล้วเรานึกถึงหน้าแม่เราที่เคยบน่นนึกถึงหน้าแม่เราที่เคยด่านึกถึงหน้าแม่เราที่เคยตําหนินึกถึงหน้าแม่เราที่เคยทำโทษนึกถึงหน้าแม่เราตอนที่แม่เราตอนที่แม่เราตีเราล้วก็นึกไป มันจะเห็นภาพได้ชัดขึ้นว่าสิ่งต่างๆที่แม่ได้ทำลงไปนั้นแม่ทำเพราะอะไรแม่ทำเพื่ออะไรแม่ทำเพื่ออะไรสิ่งที่แม่ทำเพียงสิ่งเดียวและก็อย่างเดียวเท่านั้นที่แม่ต้องการคือทำเพราะรักแค่นั้นเองทำเพื่อรักทำเพื่อ ต้องการให้ความรักกับลูกให้มากที่สุดแต่ความรักที่แม่ให้ลูกก็ไม่เข้าใจความปาทะนาที่แม่มีลูกก็ไม่เข้าใ จ, คว า, ากกาใจความท้องการที่แม่ยื่นให้ลูกก็ไม่ยอมรับในสิ่งที่แม่ให้แล้วเราลองนั่งคิดลองนั่งพิจารณาเราเป็นลูกภาษาอะไรเราใช่ลูกแม่หรือเปล่าใช่ไหมถามตัวเองว่าใช่ไหม เราใช่ลูกแม่หรือเปล่าลูกที่เคยดีแสนดีกับแม่ตัวเอง มาบัด น, นี้กลายเป็นลูกที่เคยเลวแสนเลวต่อแม่ตัวเองอาจจะกลายเป็นลูกที่ทรยศแม่ตัวเองก็มีอาจจะเป็นลูกที่ข้ามแม่ก็มีอาจจะเป็นลูกที่ทําร้ายร่างกายแม่เราก็มีแล้วเราลองคิดเราลองพิจารณาว่าการกระทําต่างๆที่เราได้กระทําต่อผู้ที่เป็นแม่เนี่ยมันมากมายขนาดไหน มันมากมายจนเราเนี่ยไม่สามารถชดใช้กรรมหมดได้แล้วในภพนี้ชาตินี้เพราะนั้นก็ขอให้พระพิสุสงฆ์และญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายจงตั้งใจปนมมือขึ้นปนมมือขึ้น ปนมือขึ้นแล้วก็พยายามระลึกถึงแม่เราเอาไว้เอาแม่มาไว้ที่ใจเราไว้ได้แม่เราจะอยู่ตรงนี้หรือไม่อยู่ในขณะนี้เนี่ยเรียกแม่มา ให้แม่มาหาเราเรียกถึงแม่จะตายไปแล้วแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยเรียกมาแม่แม่มาหาลูกหน่อยแม่มาอยู่ในใจลูกนะแม่มาหาลูกนะตอนนี้ลูกคิดถึงแม่เหลือเกินลูกอยากเจอแม่ลูกอยากบอกรักแม่ลูกอยากกอดแม่แม่มาอยู่ในใจลูกนะแม่เรียกเรียกให้แม่มาอยู่ในใจเรา แล้วก็นั่งระลึกนึกถึงแม่เนี่ยลึกระลึกนึกถึงใจเนี่ยว่าในขนาดนี้เนี่ยแม่มาอยู่กับเราแล้วใจเรามีความรู้สึกขึ้นมาแล้วใจเรามีความรู้สึกสำนึกผิดในบางสิ่งบางอย่างที่เราได้ทำไม่ดีต่อแม่ใจเราเริ่มมีความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่เราได้ทำดีต่อแม่ใจเราเริ่มมีความรู้สึกนึกคิด บางสิ่งบางอย่างแล้วว่าสิ่งต่างๆที่เราเคยทำให้แม่ต้องเสียใจทำให้แม่ต้องเจ็บใจอยู่ในขณะนี้อ่เตรียมตัวให้ทุกคนเอ่อยออกมาเป็นคำพูดแล้วก็ให้พูดตามอย่างที่บอก ตั้งใจว่าตามให้คิดว่าแม่อยู่ในใจให้คิดว่าแม่อยู่ในใจแม่อยู่กับเราแล้วในขณะนี้เนี่ยเราก็พยายามทําใจให้เป็นบุญเป็นกุศลเพื่อที่จะให้บุญและกุศลเนี่ยเกิดขึ้นกับแม่แล้วให้บุญและกุศลที่เราทําครั้งนี้เนี่ยส่งถึงแม่เราก็คือส่งถึงใจเราในขณะนี้เนี่ยสิ่งที่เราส่งให้ก็จะถึงแม่เราทันที <c oughs> เดี๋ยวให้ทุกคนว่าตามวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายาในฐานะลู ก, ลกของแม่ในวันนี้ข้าพเจ้ า, จาได้มีโอกา ส, ไ ด, กาสได้มีสติปัญญ า, ญญาคิดได้นึกออก รู้ในการกระทำของตนเองอเทั้งในอดีตที่ผ่านม า, านจนถึงปัจจุบันนี้กรรมใดๆก็ดี ท, ที่ข้าพเจ้าได้ศพประมาทพลาดพังที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกิน แก่แม่ของข้าพเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าขอให้แม่จงอโหสิกรรมจงอโหสิกรรมจงอโหสิกรร ม, รรมและปลดปล่อยกรรมเปื้องกรรมให้แก่ข้าพเจ้าในการละบัตเดี๋ยวนี้เทิด บุญและกุศลกุศลผลบุญที่ข้าพระเจ้าได้ตั้งใจแล้วทำความเพียรแล้วประพฤติปฏิบัติแล้วสิ่งที่ข้าพระเจ้าได้เอ่ยมาข้าพระเจ้าขอชดใช้คืนให้แก่ผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ ของข้าพเจ้าบุญและกุศลในข่าวครั้งนี้ข้าพเจ้าได้มาด้วยความบริสุทธิ์ใจและข้าพเจ้าขอให้ความบริสุทธิ์ใจนั้นส่งไปถึงผู้ที่เป็นพ่อผู้ที่เป็นแม่ ข, ของข้าพเจ้าในการระบัติเดียเเ๋ยวนี้เถิญสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ก ร, นนไดกระทำในวันนี้ยังไม่มากพอยังไม่ดีพอยังไม่เพียงพ อ, งอต่อความต้องการ ข, ของพ่อและแม่ของข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ่งที่ดีข้าพระเจ้าทั้งหลายก็ยังทำได้ไม่หมดสิ่งที่ชั่วข้าพระเจ้าทั้งหลายก็ยังทำได้ไม่หมดเพราะสิ่งที่ข้าพระเจ้าได้กระทำลงไปนั้นเป็นเพราะข้าพระเจ้า ยังเป็นคนโง่รู้เท่าไม่ถึงการคิดไม่ได้นึกไม่ออกต่อให้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ต่อไปก็เปรียบเสมือนคนโง่ไม่รู้อะไรเลยไ ม, ไ, ไม่เข้าใจอะไรเลย ไม่เคยคิดได้นึกออกเลยว่าพระคุณของแม่นั้ น, า ม, น, นมากมายขนาดไห น, น, ไหนจนอธิบายไม่หมดจนบรรยายออกมาเป็นคำพูดไม่ได้ <c oughs> แต่วันนี้ <c oughs> ข้าพระเจ้าทั้งหลายะ จ, าจะขอทดแทน เพลงข้าน้ำนมเพื่อทดแทนพระคุณแม่อรรแมของข้าพระเจ้ า, า, จาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะร้องเพลงข้าน้ำนมพร้อมกันอเดี๋ยวจะเป็นต้นเสียงนำให้ให้ทุกคนร้องออกมาจากใจของเราใจลึกๆที่เรายังคิด ถึงแม่ที่เรายังมีความรู้สึกต่อแม่สิ่งที่เราพึงจะกระทำได้ในขณะนี้ตอนนี้คือเราร้องเพลงข้านนมเพื่อชดใช้คืนให้ผู้ที่เป็นแม่ของเราตั้งใจเราจะร้องพร้อมกันให้ทุกคนร้องพร้อมกันหนึ่งสองสาม แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงที่เฝ้าห่วงห่วงลูกแต่ลังเมื่อ ย, ยังนอนเปลแม่เราเฝ้าโอละเหต กมลูกน้อยนอนเปไม่ห่างหันเหไปจนไกลแต่เล็กจนโตแม่ถนอมแม่พายพร้อมยอมเกิดจากรักลูกปากดวงใจ เธอโตเร็กจนใหญ่นี่และนาใดมิใช่ใดนพาพ่อข้าน้ำนมควรคิดพินิษให้ดีข้าน้ำนมแม่นี้ จะมีอะไรเหมาะสมโหว่าแม่จลูกคิดถึงข้าน้ำนมเลือดในอกผสมกันเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกิน ข้าน้ำนมควรชวนให้ลูกฟังแทเมื่อรังเปียบดังผืนฟ้าหนักกว่าแผ่นดิน บวชเดียนภาเพียนจนสิน้นหยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิน้นพระคุณแม่เอ๋ยเอาให้ทุกคนหลับตาลงในช่วงสุดท้ายก่อนที่เราจะได้ กิจกรรมในค่ําคืนนี้ขอให้ทุกคนระลึกถึงคุณของพ่อแม่หยดหนึ่งน้นํานมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอ่ยเราลองคิดเราลองพิจารณาแม้กระทั่งบวชเรียนภาคเพียนจนสิ้นหยดหนึ่งน้นํานมที่เราได้กินไปทดแทนไม่หมดไม่สิ้นนี่คือพระคุณของแม่เราแล้วเราก็ต้องลองคิดลองพิจารณา เราจะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ได้ไหมเราจะเป็นลูกที่แม่รักได้ไหมเราจะเป็นลูกที่เก่งเป็นลูกที่มีความขยันเป็นลูกที่มีความตั้งใจเรียนเป็นลูกที่มีความอดทนให้กับผู้ที่เป็นแม่ได้ไหม ลูกสัญญาว่าเราอธิษฐานไปในใจลูกสัญญาว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะแม่ลูกจะพยายามทุกสิ่งทุกอย่างลูกจะตั้งใจเป็นคนดีลูกจะทำแต่สิ่งดีๆลูกก็พยายามมาประพฤติปฏิบัติ ลูกก็พยายามแล้วที่จะมารักษาศีลลูกก็พยายามแล้วเพื่อที่จะมาทดแทนบุญคุณให้กับผู้ที่เป็นแม่แม่ จ่าแม่ในวันนี้บุญและกอุสลที่ลูกได้ทําบุญและกอุสนที่ลูกได้สร้างสําเร็จแล้วในวันนี้ลูกสร้างด้วยความบริสุทธิ์ใจถึงแม่สิ่งที่ลูกสร้างในวันนี้ไม่มากพอไม่ดีพอเท่ากับที่แม่เคยให้ลูกมาเท่ากับที่แม่เคยยื่นให้มาแต่สิ่งที่ลูกทําในวันนี้ลูกก็มีสติปัญญามีความสามารถที่ ที่จะทำชดใช้แค้นทดใช้คืนให้กับแม่ได้เพียงเท่านี้ก็ขอให้แม่ได้รับบุญและกุศลในครั้งนี้ด้วยนะแม่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ลูกเคยทําผิดทำพลาดไปแล้วสิ่งใดสิ่งหนึ่งประการใดที่ลูกเคยทําให้แม่ต้องเจ็บ ที่ทําให้แม่ต้องเสียใจลูกขอขมาราโทษอีกทั้งหนึ่งนะแม่ลูกขอตั้งจิตอธิษฐานด้วยความบริสุทธิ์ใจของลูกเองนะแม่ว่าบุญและกุศลในวันนี้ที่ลูกได้ทํำสาเร็จแล้วลูกก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลละโลกในสากลลพิภพจงปกปักรักษาให้ชีวิตแม่จงมีแต่ความสุขจงมีแต่ความเจริญจงอย่าเจ็บจงอย่าป่วยจงหยุดไข้ ให้แม่อยู่เป็นล่มโพล่มใสให้ลูกไปนานๆนะแม่ลูกรักแม่เสมอเราก็อธิษฐานไป ในใจสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลก็จะได้เกิดสิ่งที่เราเคยค้างเคยขัดเคยคล้องอยู่ใน ใ, นใจของเรามันก็จะได้คลายออกไปเพราะเรามีความรู้สึกที่จะแตกต่างกันไปในสถานะเราก็แตกต่างกันบางคนอาจจะอยู่ในสถานะแม่บางคนอาจจะอยู่ในสถานะลูกแต่สองสถานะนี้ยังไงเราก็แยกกันไม่ได้ในสถานะ ลูกและสถานะแม่ก็ขอให้ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้ทำในสิ่งที่ตนเองปรารถนาได้ทำในสิ่งที่ตนเองคิดและก็หวังไว้และคิดว่าบุญและกุศลในค่ำคืนนี้เนี่ยส่งผลให้ผู้ที่เป็นแม่เราอย่างแน่นอนแล้วก็ขออนุมโมทนา กราบพระปิสุสงฆ์ทุกรูปที่ได้ลงมาทาวัดเ็นในวันนี้ขออนุโมทนาไปยังเมชีและก็ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านสิ่งที่เราได้ร่วมกันทำกิจกรรมในค่ำคืนนี้เป็นกิจกรรมที่เป็นมงคลให้กับชีวิตเราเองอย่างน้อยเราได้ชดใช้อย่างน้อยเราได้คืนให้ผู้ที่เป็นแม่เราสิ่งที่เราเคยผิดสิ่งที่เราเคยพลาดสิ่งที่เราเคยทามา ในข้างต้นจนถึงทุกวันนี้เนี่ยขอให้ความทุกข์ความโศกความเศร้าความเสียใจยให้หมดไปจากทุกคนทุกท่านเทิน